สังคายนาครั้งที่สองในลังกากระทามเมื่อประมาณปีพุทธศักราช433ซึ่งหลักฐานบางแห่งว่าปีพุทธศักราช450ในรัชสมัยของพระเจ้าวัตคามณีอภัยเรื่องที่ปรากฏเป็นเหตุทมสังคายนาครั้งนี้คือเห็นกันว่าถ้าจะใช้วิธีท่องจำพระพุทธวจนะต่อไปก็อาจมีข้อวิปริตผิดพลาดได้ง่าย เพราะปัญญาในการท่องจำของกุลบุตรเสื่อมถอยลงจึงตกลงจารึกพระพุทธวจนะลงในใบลานมีคำกล่าวว่าได้จารึกอัฐกถาลงไว้ด้วยสังคยาครั้งนี้กระทําที่อาโลกาเลนสถานนามันตะเลชนบทซึ่งไทยเราเรียกว่ามาลายชนบทประเทศลังกามีพระรักขิตมหาเทระเป็นประธาน ได้กล่าวแล้วว่าบางมติไม่รับรองการสังคยนาของพระมหินว่าเป็นครั้งที่สต่อจากอินเดียแต่สังคยนาครั้งที่สองในลังกานี้ได้รับการรับรองเข้าลำดับโดยทั่วไปบางมติก็จัดเข้าเป็นลำดับที่หบางมติที่ไม่รับรองสังคยนาของพระมหินคือครั้งแรกในลังกาก็จัดสังคยนาครั้งที่สองในลังกานี้ว่าเป็นครั้งที่สต่อมาจากอินเดีย สังคายนาครั้งที่สมในลังกากระทาเมื่อไม่ถึงร้อยปีมานี้เองคือในปีพุทธศักราช2408แต่ลังกานับเป็นปีพุทธศักราช2409ที่รัตนปุระในลังกาพระเทระชื่อหิกัทุเวสิริสุมังคละเป็นหัวหน้ากระทาอยู่ห้าเดือนการสังคายนาครั้งนี้น่าจะไม่มีใครรู้กันมากนะัก นอกจากเป็นบันทึกของชาวลังกาเองการโฆษณาก็คงไม่มากมายเหมือนสังคยนาครั้งที่หกของพมา่าการนับสังคยนาของพมา่าได้กล่าวแล้วว่าพม่าไม่รับรองการสังคยนาครั้งแรกในลังกาคงรับรองเฉพาะสังคยนาครั้งที่สองของลังกาว่าเป็นครั้งที่สี่ ต่อจากนั้นก็นับสังคานาครั้งที่5และหกซึ่งกระทําในประเทศพมา่าสังคานาครั้งแรกในพมา่าหรือที่พม่านับว่าเป็นครั้งที่หต่อจากครั้งเจารึกลงในใบลานของลังกาสังคานาครั้งนี้มีการเจารึกพระไตรปิฎกลงในแผ่นหินอ่อน729แผ่นณนะเมืองมันดาเลด้วยการอุปถัมภ์ของพระเจ้ามินดง ในปีพุทธศักราช2414พระมหาเทระสามรูปคือพระชาคราพิวังสะพระนรินทาพิชชะและพระสุมังคลสะสมีได้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นประธานโดยลำดับมีพระสงฆ์และพระอาจารย์ผู้แตกฉานในพระอริยติธรรมรวมประชุม 2,400 ท่านกระทาอยู่หเดือนจึงสำเร็จ สังคยนาครั้งที่สองในพม่าหรือที่พม่านับว่าเป็นครั้งที่6ที่เรียกว่าฉัตตะสังคยนาเริ่มกระทาเมื่อวันที่17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2497จนถึงวันที่24พฤษภาคมปีพุทธศักราช2499เป็นอันปิดงานในการปิดงานได้กระทาร่วมกับการฉลอง25พุทธศตวตรรษ การนับปีของพม่าเร็วกว่าไทยหนึ่งปีจึงเท่ากับเริ่มปีพุทธศักราช2498ปิดพุทธศักราช2500ตามที่พม่านับพม่าทาสังคายนาครั้งนี้มุ่งพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นข้อแรกแล้วจะจัดพิมพ์อัทธถ า, ธาคือคาอธิบายพระไตรปิฎกและคำแปลเป็นภาษาพม่าโดยลำดับ มีการโฆษณาและเชิญชวนพุทธศาสนิกะชนหลายประเทศไปร่วมพิธีด้วยโดยเฉพาะประเทศเทราวาดคือพมา่าหลังกาไทยลาวขเขมรทั้งห้าประเทศนี้ถือว่าสำคัญสำหรับการสังคยนณาครั้งนี้มากเพราะใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลีอย่างเดียวกันจึงได้มีสมัยประชุมซึ่งประมุขหรือผู้แทนประมุขของทั้งห้าประเทศนี้เป็นหัวนหน้า เป็นสมัยของไทยสมัยของลังกาเป็นต้นได้มีการก่อสร้างคูหาจำลองทำด้วยคอนกรีตจุคนได้หลายพันคนมีที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ไม่น้อยกว่า 2,500 ที่บริเวณที่ก่อสร้างประมาณ200รไร่เศษเมื่อเสร็จแล้วได้แจกจ่ายพระรัรยปิฎกฉบับอักษพรพมาร่าไปในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วย การนับสังคยนาของไทยตามหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมของไทยเรายอมรับรองสังคยนาครั้งที่1 – 2 – 3สองสามในอินเดียและครั้งที่1 –ถึงสองในลังการวมกันหครั้งถือว่าเป็นประวัติที่ควรรู้เกี่ยวกับความเป็นมาแห่งพระธรรมวินยัยแต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรร ทรงถือว่าสังคยาในลางกาทั้งสองครั้งเป็นเพียงสังคยาเฉพาะประเทศไม่ควรจัดเป็นสังคยาทั่วไปจึงทรงบันทึกพรมะมติไว้ในท้ายหนังสือพุทธประวัติเล่มสามแต่ตามหนังสือสังคิตยวงศ์หรือประวัติแห่งการสังคยาซึ่งสมเด็จพระวรนรัตน์วัดพระเชตุพนรจนาเป็นภาษาบาลีในรัชกาลที่หนึ่ง ตั้งแต่ครั้งเป็นพระพิมลธรรมได้ลำดับความเป็นมาแห่งสังคยาไว้9้าครั้งดังต่อไปนี้สังคยาครั้งที่ 1, 2, 3สองสทำในประเทศอินเดียตรงกับที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นสังคยาครั้งที่4ถึงหาทำในลังกาคือครั้งที่หนึ่งที่สองที่ทำในลังกา ดังได้กล่าวแล้วในประวัติการสังคยนาของลังกาสังคยนาครั้งที่6ททำในลังกาเมื่อปีพุทธศักราช956พระพุทธโคสะได้แปลและเรียบเรียงอัทธกถาคือคำอธิบายพระไตรปิฎกจากภาษาลาังกาเป็นภาษาบาลีในรัชสมัยของพระเจ้ามหานามเนื่องจากการแปลอัทธกถาเป็นภาษาบาลี ครั้งนี้มิใช่การสังคยนาพระไตรปิฎกทางลังกาเองจึงไม่ถือว่าเป็นการสังคยนาตามแบบแผนที่นิยมกันว่าจะต้องมีการชำระพระไตรปิฎกสังคยนาครั้งที่7ทําในลังกาเมื่อปีพุทธศักราช 1,587 พระกัสสปะเทระได้เป็นประธานมีพระเทระร่วมด้วยกว่า 1,000 รูป ได้รจนาคำอธิบายอัฏฐกถาพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีกล่าวคือแต่งตำราอธิบายคมภีอัฏฐกถาซึ่งพระพุทธโคสะได้ทําเป็นภาษาบาลีไว้ในการสั่งขยนาครั้งที่หคําอธิบายอัฏฐกถานี้กล่าวตามสํานวนนักศึกษาก็คือคำพีดีกาตัวพระไตรปิฎกเรียกว่าบาลีคําอธิบายพระไตรปิฎกเรียกว่าอัฏฐกถา คำอธิบายอัฏฐกถาเรียกว่าดีกาการทำสังคยนาครั้งนี้เนื่องจากไม่ใช่สังคยนาพระไตรปิฎกแม้ทางลังกาเองก็ไม่รับรองว่าเป็นสังคยนาอย่างไรก็ตามข้อความที่กล่าวไว้ในหนังสือสังคีติยะวง์ก็นับว่าได้ประโยชน์ในการรู้ความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกอัฏฐกถาและดีกาอย่างดียิ่ง สังคายนาครั้งที่8ทํทำในประเทศไทยประมาณปีพุทธศักราช2020พระเจ้าติโลกราชแห่งเชียงใหม่ได้อาราธนาพระภิกษุผู้ทรงไตรปิฎกหลายร้อยรูปให้ช่วยชำระอักษรพระไตรปิฎกในวัดโพธารามเป็นเวลาหนึ่งปีจึงสำเร็จสังคายนาครั้งนี้จะเป็นครั้งที่หนึ่งในประเทศไทย สังคายนาครั้งที่เก้าทำในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2331พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกประถมกษัตริย์แห่งบรมรา ช, ชจักรีวง์กรุงรัตนโกสินทร์ได้ส่งรัธนาพระสงฆ์ให้ชาระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มีพระสงฆ์218รูปกับราชบัณฑิตจารุบาศก32าสคนช่วยกันชาระพระไตรปิฎก แล้วจัดให้มีการจารึกลงในใบลานสังคยาครั้งนี้สำเร็จภายในหเดือนจัดว่าเป็นสังคยาครั้งที่สองในประเทศไทยประวัติการสังคยา9ก้าครั้งตามที่ปรากฏในหนังสือสังคิตยวงซึ่งสมเด็จพระวรนรัตน์รจนาไว้นี้ภิกษุชินานันทะศาสตราาจาร์ภาษาบาลีและพุทธศาสตร์ แห่งสถาบันภาษาบาลีที่นาลันธาได้นำไปเล่าไว้เป็นภาษาอังกฤษในหนังสือ 2,500 ปีแห่งพระพุทธศาสนาในอินเดียซึ่งพิมพ์ขึ้นในโอกาสฉลอง25พุทธศาตาวรรษในอินเดียด้วยความรู้เรื่องการํำระและการพิมพ์พระไตรปิฎกในประเทศไทยมีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยโดยเฉพาะ ข้าพเจ้าจึงจะกล่าวถึงเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้กล่าวถึงเรื่องอื่นๆเสร็จแล้วการสังคยนาของฝ่ายมหายานการที่กล่าวถึงสังคยนาฝ่ายมหายานซึ่งเป็นคนละสายกับป่ายเทรวาฏไว้ในที่นี้ด้วยก็เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและประดับความรู้เพราะพระไตรปิฎกของฝ่ายเทรวาฏ โดยเฉพาะสุตตันตปิฎกได้มีคำแปลในภาษาจีนซึ่งแสดงว่าฝ่ายมหายานได้มีเอกสารของฝ่ายเทรวาฏอยู่ด้วยจึงควรจะได้สอบสวนดูว่าความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกนั้นทางฝ่ายมหายานได้กล่าวถึงไว้อย่างไรเมื่อกล่าวตามหนังสือพุทธประวัติและประวัติสังฆมณฑลสมัยแรกตามฉบับของทิเบตซึ่งชาวต่างประเทศได้แปลไว้เป็นภาษาอังกฤษ ได้กล่าวถึงการสังคายนาสองครั้งคือครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองในอินเดียดังที่รู้กันอยู่ทั่วไปแต่จะเล่าไว้ในที่นี้เฉพาะข้อที่น่าสังเกตคือในสังคายนาครั้งที่หนึ่งหลักฐานฝ่ายเทรวาดว่าสังคายนาพระธรรมกับพระวินัยพระอานนท์เป็นผู้ตอบคำถามเกี่ยวกับพระธรรมซึ่งหมายถึงว่าพระอานนท์ได้วิสัชนา ทั้งสุดตันตะปิดกและอภิธรรมปิดกแต่ในฉบับของทิเบตกล่าวว่าพระมหากัฏฐปะเป็นผู้วิสัชนาอภิธรรมปิดกส่วนพระอานนท์วิสัชนาสุดตันตะปิดกและพระอุบาลีมิสัชนาวินัยปิดกกับได้กล่าวพิสดานออกไปอีกว่าสังขยาสุดตันตะปิดกก่อนพอพระอานนท์เล่าเรื่องประถมมเทศนาจบพระัญญาโกนทัญญะ ได้ยืนยันว่าถูกต้องแล้วเป็นพระสูตรที่ท่านได้สดับมาเองแม้เมื่อกล่าวสูตรที่สองคืออนันตลักขณะสูตรจบพระอัญญากกนทัญญก็ให้คำรับรองเช่นกันรายละเอียดอย่างอื่นที่เห็นว่าฟั่นเฟือได้งดไม่นำมากล่าวในที่นี้มีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือในหนังสือที่อ้างถึงนี้ใช้คำว่ามาติ ก, กาแทนคาว่าอภิธรรมปีดก ในการสังคยนาครั้งที่สองฉบับมหายาณของทิเบตได้กล่าวคล้ายคลึงกับหลักฐานของฝ่ายเทราวาดมากทั้งได้ลงท้ายว่าที่ประชุมได้ลงมติตำหนิข้อถือผิดสิบประการของภิกษุชาววัชีอันแสดงว่าหลักฐานของฝ่ายมหายาณกลับรับรองเรื่องนี้ผู้แปลคือร็อกฮิลอ้างว่าได้สอบสวนฉบับของจีน ซึ่งมีผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ปรากฏว่ากล่าวถึงอะไรนอกจากจบลงด้วยการตำหนิข้อถือผิดสิบประการนั้นดรนลินักษะแห่งมหาวิทยาลัยกันกันกตตาอินเดียได้พยายามรวบรวมหลักฐานฝ่ายมหายานเกี่ยวด้วยสังคยนณาครั้งที่สองไว้อย่างละเอียดเป็นสามรุ่นคือรุ่นแรกรุ่นกลางและรุ่นหลัง แม้รายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยหลักฐานนั้นๆจะไม่ต่างกันออกไปก็ตามแต่ก็เป็นอันตกลงว่าฝ่ายมหายานได้รับรองการสังคายนาครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองร่วมกันโดยเหตุที่คัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมักจะมีอะไรต่ออะไรต่างออกไปจากของเทรวาดเมื่อเกิดปัญหาว่าคัมภีร์เหล่านั้นมีมาอย่างไร ก็มักจะมีคำตอบว่ามีการสังคยนาของฝ่ายมหายานคำพ่รนั้นเกิดขึ้นจากผู้ที่สังคยนาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้รู้ได้ฟังมาคนละสายกับฝ่ายเทรวาทเมื่อตรวจสอบจากหนังสือของฝ่ายมหายานแม้จะพบว่าสังคยนาผสมกับฝ่ายมหายานนั้นเกิดเมื่อสมัยพระเจ้ากันนิส ก, กะ ประมาณปีพุทธศักราช643ก็จริงแต่ข้ออ้างต่างๆมักจะพาดพิงไปถึงสังคยาครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองคือมีคณะสงฆ์อีกก่ายหนึ่งทำสังคยาแข่งขันอีกส่วนหนึ่งคือ 1. สังคยาครั้งแรกที่พระมหากัสริเป็นประธานนั้นกระทาที่ถ้ำสัตบัญคูหาข้างเขาเวพารบันพศกรุงราชคฤห์ มีคำกล่าวของฝ่ายมหายานว่าภิกษุทั้งหลายผู้มิได้รับเลือกเป็นการกะกรสงคือสงผู้กระทำหน้าที่ในปฐมสังคยานาซึ่งมีพระมหากัสสปะเป็นประธานได้ประชุมกันทำสังคยานาขึ้นอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าสังคยานานอกถ้ำและโดยเหตุที่ภิกษุผู้ทำสังคยานานอกถ้ำมีจำนวนมากจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สังคยนามหาสังคิกคือของสงฆ์หมู่ใหญ่เรื่องนี้ปรากฏในประวัติของหลวงจีนเอียนจังผู้เดินทางไปดูการพระพุทธศาสนาในอินเดียที่นายเค่งเหลียนสีบุญเรืองแปลเป็นภาษาไทยหน้า169และกล่าวด้วยว่าในการสังคยนาครั้งนี้แบ่งออกเป็นห้าปิฎกคือพระสูตรวินัยอภิธรรม ปากินากะและทารณีแต่หลักฐานของการสังคายนานอกถ้ำครั้งที่หนึ่งนี้น่าจะเป็นการกล่าวสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขนานกับการสังคยนาครั้งที่สองหรือในหนึ่งเอาเหตุการณ์ในสังคยนาครั้งที่สองไปเป็นครั้งที่หนึ่งคือ 2. องการสังคยนาของมหาสังคิกะมีเรื่องเล่า ว, ว่าเมื่อภิกษุวัชีบุตร ถือวินายย่อหย่อนสิบประการและพระยะสะกากันตะกะบุตรได้ชักชวนคณะสงฆ์ในภาคต่างๆมาร่วมกันทำสังคยนาชำระมนทินโทษแห่งพระศาสนาวินิจัยชี้ว่าข้อถือผิดสิบประการนั้นมีห้ามไว้ในพระวินัยอย่างไรแล้วได้ทำสังคยนาในขณะเดียวกันพวกพิสุวัตชีบุตรซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากก็ได้เรียกประชุมสงฆ์ถึงหนึ่งหมืนรูป ทำสังคยนาของตนเองที่เมืองกุสุมปุระหรือปาตลีบุตรให้ชื่อว่ามหาสังคีตคือมหาสังคยนาเป็นเหตุให้เกิดนิกายมหาสังคิกะซึ่งแม้จะยังไม่นับว่าเป็นมหายานโดยตรงแต่ก็นับได้ว่าเป็นเบื้องต้นแห่งการแตกแยกป่ายเทรวาดมาเป็นมหายานในการต่อมา การสังคายนาครั้งนี้ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของเดิมไปไม่น้อยหลักฐานของฝ่ายมหายานบางเล่มได้กล่าวถึงกำเนิดของนิกายมหาสังคิกะโดยไม่กล่าวถึงวัตถุ10ประการก็มีแต่กล่าวว่าข้อเสนอห้าประการของมหาเทวะเกี่ยวกับพระอระหันต์ว่าอย่างมิได้ดับกิเลสโดยสมบูรณ์เป็นต้นเป็นเหตุให้เกิดการสังคายนาครั้งที่สอง แล้วพวกมหาสังคิกก็แยกออกมาทำสังคยนาของตนการสังคยนาของนิกายสัพพติกะวาดการสังคยนาของพระเจ้ากนิสกะประมาณในปีพุทธศักราช6 4ร้พระเจ้ากนิสกะผู้มีอำนาจอยู่ในอินเดียภาคเหนือได้สนับสนุนให้มีการสังคยนาซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นสังคยนาแบบผสม ณเมืองชาลันทรหรือบางแห่งกล่าวว่าเมืองกัสมีระในหนังสือจดหมายเหตุของหลวงจีนเฮียนจังเล่าว่าพระเจ้ากานิสกะหันมาสนใจพระพุทธศาสนาและตำรับตำราแห่งศาสนานี้จึงให้อาราธนาพระภิกษุหนึ่งรูปไปสอนทุกๆวันและเนื่องจากภิกษุแต่และรูปที่ไปสอนก็สอนต่างๆกันออกไป บางครั้งก็ถึงกับขัดกันพระเจ้ากนิสกะทรงลังเลไม่รู้จะฟังว่าองค์ไหนถูกต้องจึงปรึกษาข้อความนี้กับพระเทระผู้มีนามว่าปารสวะถามว่าคําสอนที่ถูกต้องนั้นคืออันใดกันแน่พระเทระแนะนําให้แล้วพระเจ้ากนิสกะจึงตกลงพระทยัยจัดให้มีการสังคยนาซึ่งมีภิกษุสงนิกายต่างๆ ได้รับอารัธนาให้มาเข้าประชุมพระเจ้ากนิสกะโปรดให้สร้างวัดเป็นที่พักพระสงฆ์ได้ห0 0รูปผู้จะพึงเขียนคำอธิบายประไตรปิฎกคำอธิบายหรืออัตถกถาสุตตันตปิฎกมีหนึ่งแสนสโลกอัตถกถาวินัยปิฎกหนึ่งแสนสโลกและอัตถกาถาอภิธรรมอันมีนามว่าอภิธรรมวิภาสามีจานวนหนึ่งแสนสโลก ก็ได้แต่งขึ้นในสังขยาครั้งนี้ด้วยเมื่อทำสังขยาเสร็จแล้วก็ได้จ่ารึลงในแผ่นทองแดงเก็บไว้ในหีบศิลาแล้วบรรจุไว้ในเจดีย์ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อการนี้อีกต่อหนึ่งมีข้อสังเกตคือกำหนดการของสังขยาครั้งนี้ที่ปรากฏในคำภีฝ่ายที่เบตกล่าวว่ากระทาในยุคหลังกว่าที่หลวงจีนเฮียนจางกล่าวไว แต่เรื่องพุทธศักราชที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในพระพุทธศาสนาก็มีข้อโต้แย้งผิดเพี้ยนกันอยู่มิใช่แห่งเดียวจึงเป็นข้อที่ควรจะได้พิจารณาสอบสวนในทางที่ควรต่อไปการสังคยนาครั้งนี้เป็นของนิกายสัพพติกวาดซึ่งแยกสาขาออกไปจากเทรวาทแต่ก็มีพระของฝ่ายมหายานร่วมอยู่ด้วยจึงเท่ากับเป็นสังคยนาผสม สังขยนานอกประวัติศาสตร์ยังมีสังคยาอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏในประวัติศาสตร์และไม่ได้การรับรองทางวิชาการจากผู้ศึกษาค้นคว้าทางพระพุทธศาสนาอาจถือได้ว่าเป็นความเชื่อถือปรามปราราของพุทธศาสนนฝ่ายมหา ย, ยานในจีนและญี่ปุ่นคือสังคยาของพระโพธิสัตว์มัชชุสีกับพระโพธสิสัตว์ไมเตระยะ หรือพระสีอานทั้งนี้ปรากฏตามหลักฐานในหนังสือประวัติศาสต ร, ยร์ย่อแห่งพระพุทธศาสนา12นิกายของญี่ปุ่นหน้าห1ดซึ่งไม่ได้บอกการเวลาสถานที่และรายละเอียดไว้ที่นำมากล่าวไว้ในที่นี้พอเป็นเครื่องประดับความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกในที่มาต่างๆ เท่าที่จะค้นหามาได้เป็นอันว่าได้กล่าวถึงการสังคายนาทั้งของฝ่ายเทราวาตและของมหายานไว้พอเป็นแนวทางให้ทราบความเป็นมาแห่งคําสอนทางพระพุทธศาสนาและโดยเฉพาะคำพีพระไตรปิฎกทั้งได้พยายามรวบรัดกล่าวเพราะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นต้องแต่งประวัติศาสตร์ความเป็นมาแห่งพระพุทธศาสนาขนาดใหญ่ไว้ในที่นี้ ลำดับอาจารย์ผู้ทรงจำพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้แล้วในสมัยที่ยังมิได้มีการจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลานนั้นใช้วิธีท่องจำและการท่องจำก็แบ่งหน้าที่กันตามแต่ใครจะสมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญในส่วนไหนตอนไห น, ตอนไหนของพระไตรปิฎกเช่นคำว่าทีฆาพานกะแปลว่าผู้สวดคำพีธีฆานิกาย คือพระธรรมเทศนาหมวดยาวมัชิมภพานกะผู้สวดคำภีมัชิ ม, น, ม, ชมนิกายคือพระธรรมเทศนาขนาดปานกลางโดยในนี้จึงเป็นการแบ่งงานกันทำในการท่องจำพระไตรปิฎกและมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามีสิทธิของแต่ละสํานักท่องจำตามที่อาจารย์สั่งสอนเป็นทางให้เห็นความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกด้วยประการชนนี้ ในหนังสืออธิบายพระไตรปิฎกหรือที่เรียกว่าอาัตถกถาได้แสดงการสืบสายของอาจารย์ในแต่ละทางคือวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎกที่เรียกว่าอาจารย์ยพระรามปราสายแห่งพระอาจารย์ดังนี้สายวินัยปิฎก 1. พระอุบาลี 2. พระทาสกะสามพระโสนกะสี่พระสิขวะห้าพระโมคคีบุตรติสสะสายสุดตันตปิดกไม่ได้มีระบุไว้ในอัธกถาเป็นแต่ได้กล่าวถึงการมอบหน้าที่ในการท่องจำนำสืบสืบกันต่อไปดังนี้หนึ่งมอบให้พระอานนท่องจำสั่งสอนทีฆนิกาย 2. อมอบให้นิสิต ท, ทั้งหลายของพระสารีบุตรท่องจำมัชิมะนิกาย 3. ม, มอบให้พระมหากัสปะท่องจำสังยุตตนิกาย 4. มอบให้พระอนุรุตท่องจำอังคุตระนิกายส่วนขุทธกะนิกายไม่ได้กล่าวไว้ว่ามอบเป็นหน้าที่ของใครสายอภิธรรมปิดก 1. พระสารีบุตร 2. พระพัทชิ 3. พระโสพิตะ 4. พระปิยะชาลี 5. พระปิยะปาละพระปิยะทศี 7. พระโกสิยาปุตตะ 8. พระสิกขวะ 9. พระสันเทหะ 10. พระโมคคลีบุตร 11. ปพระติสาท ต, ตะ 12. บพระธรรมิยะ 13. ปพระทาสกะ 14. ปพระโซน ก, กะ 15. พระเรวตะตามรายนามนี้สืบต่อมาเพียงชั่ว235หปีเท่านั้นต่อจากนั้นยังมีรายนามอีกมากซึ่งนับแต่แผ่ศาสนาไปในลังกาแล้ว